เก้าอุปละว น, นาเทรยาประทานประวัติในดิจชาของพระอุบลว น, นาเทรี พระอุบลวรณาเทรีเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระอุบลวณาภิกษุณีถึงความสำเร็จแห่งฤทธิ์กราบไหวพระยุ ค, คลบาทของพระาศาสดาแล้วกราบทูลคำนี้ว่าข้าแต่พระมหามุนีม่มฉันข้ามพ้นชาติสงสารได้แล้วบรรลุบทที่ไม่หวั่นไหวทุกทั้งปวงม่มฉันให้สิ้นไปแล้วจึงขอบอกว่า ขอประชุมชนผู้เลื่อมใสในศาสนาของพระชินเจ้าและชนที่ข้าพเจ้าได้ทำความผิดให้เท่าที่มีอยู่จงยกโทษให้ข้าพเจ้าเฉพาะพระพักของพระชินเจ้าข้าแต่พระมหาวีระหมอมฉันขอกราบทูลว่าเมื่อหมอมฉันเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏตตสงสารถ้าหมอมฉันมีความผิดพลาดขอพระองค์จงยกโทษให้หมอมฉันด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่า อุบลวันนาผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของเราเธอจงแสดงฤทธิ์และตัดความสงสัยของบริษัทสี 4, เท่าที่มีอยู่ในวันนี้เถิดพระอุบลวันนาเถรีกลาบทูลว่าข้าแต่พระมหาวีระผู้มีพระปัญญาผู้ทรงพระรัศมีรุ่งเรืองหม่อมฉันเป็นที่ดาของพระองค์กรรมที่ทำได้ยากทำได้แสนลำบากจำนวนมากหม่อมฉันได้ทาแล้ว แต่พระมหาวีระผู้มีพระจักสุหม่อมฉันมีผิวพรรณเหมือนสีดอกอุบลจึงมีนามว่าอุบลวันนาเป็นธิดาของพระองค์ขอกราบพระยุคลบาทพระราหุนเทระและหม่อมฉันเกิดร่วมพบเดียวกันหลายร้อยชาติเป็นผู้มีจิตสมานะฉันกันบังเกิดพร้อมกันร่วมชาติเดียวกันเมื่อถึงพบสุดท้ายแม่เราทั้งสองก็ชื่อว่าเกิดร่วมพบเดียวกัน พระเทระนามว่าราหุลเป็นพระโอรสหม่อมฉันผู้มีนามว่าอุบลวันนาเป็นทิดาข้าแต่พระวีระขอเชิญทอดพระเนตรฤริ์ของหม่อมฉันเถิดม่อมฉันจักแสดงพลังถวายพระศาสดาพระอุบลวร น, นาเทรียกมหาสมุดทั้งสี่วางไว้ที่ฝ่ามือเหมือนเด็กเล่นน้ำมันที่อยู่บนฝ่ามือยกแผ่นดินแล้ววางไว้ที่ฝ่ามือ เหมือนเด็กหนุ่มดึงใส้หญ้าป้องใช้ฝ่ามือปิดครอบจักรวาลแล้วบรรดาหยาฝนสีต่างๆให้ตกลงที่ศีสะบ่อยๆทำพื้นพระสุธาให้เป็นครกทำก้อนกรดให้เป็นข้าวเปลือกทำภูเขาสิเนรุให้เป็นสากแล้วตํำอยู่เหมือนนางกุ ม, มาริกาซ้อมข้าวมอมฉันมีนามว่าอุบลว น, นาเป็นที่ดา ข, ของพระพุทธองค์ผู้ประเสริฐที่สุด มีความชำนาญในอภิญยาทั้งหลายเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์มอมฉันผู้มีจักสุแสดงฤทธิ์ต่างๆถวายพระองค์ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกประกาศนามและโคดแล้วขอกราบประยุ ค, คลบาทข้าแต่พระมหาโมนีมอมฉันเป็นผู้มีความชำนาญในฤทธิ์มีที่ประสตถาทัตและในเจโตปริยญาณรู้ปุเพนิวาสานุสติญาณ ที่พยะจักษุหมอมฉันก็ชำระให้หมดจดแล้วอา จ, จะวะทั้งปวงก็สิ้นไปแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกอาถาปฏิสัมพิทาญานธรรมปฏิสัมพิทาญานนิรุตติปฏิสัมพิทาญานและปฏิภาณะปฏิสัมพิทาญานของหม่อมฉันบริสุทธิ์ไพ่บูนตามสภาวะแห่งพระองค์ผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ข้าแต่พระมหามุนี อาธการเป็นอันมากของหม่อมฉันอันหม่อมฉันผู้เรสร็จสงครามแสดงแล้วกระทําแล้วแด่พระชินเจ้าผู้ประเสริฐทั้งหลายในปางก่อนเพื่อประโยชน์แก่พระองค์ข้าแต่พระมหาหมุนีขอพระองค์ทรงระลึกถึงกุศลกรรมของหม่อมฉันซึ่งหม่อมฉันกระทําแล้วในปางก่อนข้าแต่พระมหาวีระหม่อมฉันสั่งสมบุญไว้แล้วเพื่อประโยชน์แก่พระองค์ข้าแต่พระมหาวีระมม พระองค์ทรงเว้นอนาจารย์ในสถานที่ไม่ควรอบรมพระญาณให้แก่กล้าอยู่ม่อมฉันได้สละชีวิตที่สูงสุดเพื่อประโยชน์แก่พระองค์ข้าแต่พระมหามุนีม่อมฉันได้ถวายชีวิตของหม่อมฉันหลายเหมื่นโกรธกลับแม้ตัวหม่อมฉันหม่อมฉันก็ได้สละแล้วเพื่อประโยชน์แก่พระองค์ครั้งนั้นบริจัด ท, ทั้งหมดมีความพิศวงยิ่งนักจึงได้พากันประนมมือเหนือศีรษะพูดว่า ถ้าแต่พระแม่เจ้าอย่างไรพระแม่เจ้าจึงมีความบากบันมีฤทธิ์หาสิ่งใดปริปานมิได้ในกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นนางนาคกัญญามีนามว่าวิมาลาหมู่นาคยกย่องว่าเป็นผู้ประเสริฐ ก, กว่าพวกนางนาคกัญญาพญานาคชื่อมโหระฆะเลื่อมใสในศาสนาของพระชินเจ้า ทูล น, นิมนต์พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้ทรงมีเดชานุภาพมากพร้อมทั้งพระสาวกตกแต่งมนดบแล้วบรรลังแก้วโปรยทายแก้วเครื่องอุปโภคแก้วและตกแต่งขนทางประดับด้วยธงแก้วพญานาคนั้นบรรเลงดนตรีต้อนรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลก ทรงแผ่ขยายบริษัทสิ์ประทับนั่งบนอาสนะอันประเสริฐในภพของพญา น, นาคชื่อโมโหระคะพญา น, นาคได้ถวายข้าวน้ำคาธนียะและโพชนียาหารอย่างดีๆมีราคามากแด่พระผู้มีพระภาคผู้มีพระย์ใหญ่พระสัมมาสัสมพุทธเจ้าพระองค์นั้นครั้นสวยเสร็จแล้วทรงล้างบาทได้ทรงทาการอนุโมทนาอันสมควรโดยอุบายอันแยบคายว่า นางนาคกัญญาจงเป็นผู้มีฤทธิ์มากนางนาคกัญญาเห็นพระสัพพันยู่ผู้เบิกบานมีประย์มากจึงทำจิตให้เลื่อมใสทําใจให้มั่นคงต่อพระศาสดาครั้งนั้นพระมหาวีระพระนามว่าปทุมุตระทรงทราบวระจิตของหม่อมฉันแล้วทรงแสดงภิกษุณีรูปหนึ่งด้วยฤทธิ์ภิกษุณีรูปนั้นมีความ ก, ล, กล้าาแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่าง มอมฉันเกิดปิติปราโมทเรียกกราบถุนระศาาดาว่ามอมฉันได้เห็นฤทธิ์ทั้งหลายที่ภิกษุณีรูปนี้แสดงแล้วข้าแต่พระทิระเจ้าอย่างไรภิกษุณีรูปนั้นจึงเป็นผู้แกล้าดีในฤทธิ์พระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นตรัสตอบว่าภิกษุณีรูปนั้นเป็นทิดาที่เกิดจากโอทของเราปฏิบัติตามคำสั่งสอนของเรามีฤทธิ์มากมีความแกล้าดีในฤทธิ์ หม่อมฉันได้ฟังพระพุทธพจน์แล้วมีความยินดีได้กราบทูลอย่างนี้ว่าแม้หม่อมฉันก็ขอเป็นผู้มีความก ล, วกล้าหาในฤทธิ์เช่นนั้นข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกหม่อมฉันเบิกบานสมนัสมีใจสูงสุดถึงที่แล้วขอให้ได้เป็นเช่นพิษุนีรูปนี้ในอนาคตการเถิดหม่อมฉันตกแต่งบรรลังแก้วมณีและมณดบที่ผุดผ่องแล้ว ทูนิมนต์พระผู้นำสัตว์โลกพร้อมทั้งพระสงฆ์ให้เสวยและฉันข้าวน้ำจนอิ่มน้ำแล้วได้ใช้ดอกอุบลที่มีชื่อว่าอารุณะซึ่งเป็นดอกไม้แอมประสเรชของพวกหน้าบูชาพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกโดยตั้งความปรารถนาไว้ว่าขอให้ผิวพันธุ์ของข้าพเจ้าจงเป็นเช่นนี้เถิดด้วยกรรมที่หม่อมฉันได้ทาไว้ดีแล้วนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มั่น ข้าพเจ้าละกายนากแล้วจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงจุติจากภพนั้นแล้วก็มาเกิดในหมู่มนุษย์ได้ถวายบิณฑบาต ท, ที่ใช้ดอกอุบลปิดแด่พระสยามภูในกลับที่เก้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีผู้ทรงเป็นผู้นำผู้มีพระเนกงามมีพระจักรสุในธรรมทั้งปวงเสด็จอุบัติขึ้นแล้วครั้งนั้น มอมชั้นเป็นธิดาของเศรษฐีในกรุงพาราณสีที่ประเสริฐสุดได้ทูลนิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกพร้อมทั้งพระสงฆ์ถวายมหาทานและบูชาพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำวิเศษด้วยดอกอุบลเป็นอันมากแล้วได้ปรารถนาให้ผิวพรรณงามเหมือนดอกอุบลเหล่านั้นในพัทระกับนี้พระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของพราหมณ์มีพระยศใหญ่พระนามว่า กัสปะตามพระโคดประเสริฐกว่าเจ้ารัติทั้งหลายเสด็จอุบัติขึ้นแล้วครั้งนั้นพระเจ้ากาสีพระนามว่ากิคีเป็นใหญ่กว่านราชนในกรุงพารณสีที่ประเสริฐสุดทรงเป็นอุปถาของพระพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มอมฉันเป็นที่ดาคนที่สองของพระองค์มีนามปรากฏว่าสมณีคุ ต, ตาได้ฟังธรรมของพระชินเจ้าผู้เลิศแล้ว พอแจกการบรรพชาแต่พระชนกนาถไม่ได้ทรงอนุญาตให้มอมฉันทั้งหลายบวชครั้งนั้นมอมฉันทั้งหลายไม่เกียร์คร้านครองเรือนอยู่สองหมื่นปีพระราชกัญญาทั้งเจ็ดพระองค์มีความสุขประเพิติพรหมจรรย์ตั้งแต่ยังเป็นกุมารีเพลิดเพลินยินดีอุปถากพระพุทธเจ้าคือหนึ่งพระนางสมณี 2. พระนางสมณคุตตาสพระนางภิกษุณี 4. พระนางพิขุทาสิกาหพระนางธรรมมาหพระนางสุธรรมมาเจพระนางสังฆาสิกาพระราชธิดาทั้งเจ็ดนั้นได้กลับชาติมาเกิดคือม่อมชันหนึ่งพระเขมาเถรีผู้มีปัญญาหนึ่งพระปตาจาราเถรีหนึ่งพระกุลฑลเกสีเถรีหนึ่งพระกีสาโคตมีเถรีหนึ่งพระธรรมทินนาเถรีหนึ่ง และคนที่เจ็ดเป็นวิสาขามหาอุบาสิกาด้วยกกรรมทั้งหลายที่มอมฉันได้ทําไว้ดีแล้วนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มั่นมอมฉันละกายมนุษย์แล้วจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงมอมฉันจุติจากสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นแล้วมาเกิดในตระกูลใหญ่ในหมู่มนุษย์ได้ถวายผ้าอย่างดีมีสีเหลืองเนื้อเกลี่ยงแก่พระอรหันต์องค์หนึ่งจุติจากอัตภาพนั้นแล้ว ได้ไปเกิดในตระกูลพราหมณ์นามหาสารในอริธาบุรีเป็นธิดาของพราหมณ์ชื่อติริติวัชชะมีชื่อว่าอุ ม, มาทันตีมีสิริโฉมงดงามเป็นที่จูงใจให้หลงไหลจุติจากอัตภาพนั้นแล้วได้ไปเกิดในตระกูลหนึ่งที่ไม่ค่อยมีความอุดมสมบูรณ์มากนักในชนบทรักษาข้าวสาลีในครั้งนั้นหม่อมฉันเห็นพระประเจ ก, กพุทธเจ้าองค์หนึ่ง ได้ถวายเข้าตอกห้าร้อยดอกหอด้วยดอกประทุมปราถนามีบุตรห้าร้อยคนเมื่อมอมฉันปราถนาบุตรจำนวนเท่านั้นแล้วได้ถวายน้ำพึ้งแด่พระสยามภูจุติจากอัตภาพนั้นแล้วได้เกิดภายในดอกบัวในป่าได้เป็นพระมเหสีของพระเจ้ากาสีเป็นผู้ที่ประชาชนสั ก, กระปูชาได้กาเนิดพระราชบุตรครบห้าร้อยองค์ เมื่อพระราชบุตรเหล่านั้นทรงเจริญวัยแล้วทรงเล่นน้ําได้เห็นดอกบัวที่ร่วงโรยไปก็ได้สําเร็จเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าม่อมฉันนั้นเมื่อต้องพระเพ่าจากบุตรผู้ประเสริฐเหล่านั้นก็มีความเศร้าโศกจุติจากอัตภาพนั้นแล้วได้ไปเกิดในหมู่บ้านข้างภูเขาอิสิกิริเมื่อม่อมฉันทราบว่าบุตรเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าได้ถือข้าวยาคูไปเพื่อบุตรและเพื่อตนเอง ได้เห็นพระปเจคพุทธเจ้าแปดองค์เข้าไปสู่บ้านเพื่อพิษาหานก็รลกถึงบุตรขึ้นมาทานน้ำนมของหม่อมฉันก็หลั่งไหลออกเพราะความรักบุตรม่อมฉันมีความเลื่อมใสได้ถวายข้าวยาคูด้วยมือของตนแก่พระปเจคพุทธเจ้าเหล่านั้นหม่อมฉันจุติจากอัตภาพนั้นแล้วไปเกิดในสวนนันทวันบนสวรรค์ชั้นดาวดึงข้าแต่พระมหาวีระ มอมฉันเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ได้สวยสุขและทุกข์และได้สละชีวิตเพื่อประโยชน์แก่พระองค์มอมฉันมีทุกข์ก็มากมีสมบัติก็หลายชนิดแดงที่กราบทูลมานี้เมื่อถึงภพสุดท้ายมอมฉันเกิดในกรุงสาวัตถีในตระกูลเศรษฐีมีทรัพย์มากประกอบด้วยสุขสมบัติมีความรุ่งเรืองด้วยรัตนะต่างๆให้สำเร็จสิ่งที่ปรารถนาทุกอย่าง เป็นผู้ที่ประชุมชนสักการะบูชานักเถือและยำเกรงประกอบด้วยสิริรูปอัญชนในตระกูลทั้งหลายสักการะอย่างยิ่งมอมฉันเป็นหญิงที่น่าปรารถนายิ่งนักด้วยสิริคือรูปสมบัติและโภคสมบัติบุตรเศรษฐีทั้งหลายและบริวารของตนจํานวนมากต่างปรารถนามอมฉันละเรือนออกบวชเป็นบรรพชิตยังไม่ถึงเกื่งเดือนก็ได้บรรลุสัจจะสี่ มอมฉันเนรมิตรถที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้ด้วยฤทธิ์เพราะกล่าวพระยุ ค, คลบาทของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นที่พึ่งของโลกผู้มีพระสิริพญามานเมื่อกล่าวกับม่อมฉันว่าท่านเข้ามายัางต้นไม้ชั้นเลิศที่มีดอกแย้มบานดีแล้วยืนอยู่เพียงผู้เดียวที่โคนต้นสาละไม่มีใครเป็นเพื่อนท่านผู้โง่เขลาท่านนึกกลัวพวกนักเลงดอกหรือมอมฉันกล่าวว่า ถึงพวกนักเลงตั้งแสนคนมาในที่นี้พึงเป็นเหมือนกับท่านนี้ก็ทำขนของเราให้เองให้ไหวไม่ได้พญามารท่านเพียงผู้เดียวจะทำอะไรเราได้เรานี้จะหายตัวไปก็ได้หรือว่าเข้าไปในท้องของท่านก็ได้ท่านจะมองไม่เห็นเราผู้ยืนอยู่ที่ระหว่างคิ้วของท่านเรามีความชำนาญในเรื่องจิตอิธิบาทเราก็เจริญดีแล้ว พ้นจากสภากิเลสเครื่องผูกทั้งปวงพยามาลเราไม่ได้เกรงกลัวท่านกลามทั้งหลายเปรียดด้อหอกและเหลาแม้ขันทั้งหลายก็คล้ายกองไฟท่านกล่าวถึงความยินดีในกลามบัดนี้เราไม่มีความยินดีในกลามความเพลิดเพลินในอารมณ์ทั้งปวงเรากําจัดได้หมดแล้วกองแห่งความมืดเราก็ทําลายได้แล้วมารผู้มีบาปท่านจงรู้อย่างนี้ ท่านถูกเรากำจัดแล้วพระชินเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำวิเศษทรงพอพระทัยในคุณสมบัตินั้นจึงทรงตั้งหม่อมฉันไว้ในเอตทัทคะในบริษัททั้งหลายว่าอุบลวณาภิกษุณีเป็นผู้ประเสริฐสุดแห่งภิกษุณีทั้งหลายผู้มีฤทธิ์พระศาสดาหม่อมฉันก็ปรนิบัติแล้วคำส่งสอนของพระพุทธเจ้าหม่อมฉันก็ได้ทำสำเร็จแล้วภาระอันหนักหม่อมฉันก็โปรงลงได้แล้ว ตัญหาที่นำไปสู่พบหม่อมฉันข้อถอนได้แล้วกุลบุตรกุลธิดาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นคือความสิ้นสังโยชน์ทั้งปวงหม่อมฉันได้บรรลุแล้วโดยลำดับทายกทั้งหลายน้อมปัดใ จ, จคือจีวอนบินทบาทเสนาสนะและกีฬานปัดใ จ, จเพศสารประคารเข้ามาครั้งละหลายพันโดยรอบกิเลทั้งหลายหม่อมฉันก้เผาได้แล้ว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 คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมก8ปและอภินยาหกมอมฉันก็ได้ทำให้แจ้งแล้วคำส่องสอนของพระพุทธเจ้ามอมฉันก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าพระอุบลวันนาพิษุณีได้พาสุกถาเหล่านี้ด้วยประการชน้อุปละวันนาเทริยาประทานที่เก้าจบสิบ ปตาจาราเทริยาประทานประวัติเนติชาของพระปตาจาราเทรีพระปตาจาราเทรีเมื่อจะประกาศประวัติเนติชาของตนจึงกล่าวว่าพระชีนเจ้าพระนามว่าปทุมุตระพูดถึงความสำเร็จแห่งธรรมทั้งปวงทรงเป็นผู้นำเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในกลับที่หนึ่งแส น, นับจากกลับนี้ไปครั้งนั้นมอมฉันเกิดในตระกูลเศรษฐี มีความรุ่งเรืองด้วยรัตนะต่างๆในโครงหงสวดีเป็นผู้เพียรพร้อมด้วยความสุขมากมอมฉันได้เข้าเฝ้าพระมหาวีระพระองค์นั้นแล้วได้ฟังพระธรรมเทศนาแต่นั้นมอมฉันเกิดความเลื่อมใสได้ถึงพระชินเจ้าเป็นสรณะครั้งนั้นพระชินเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำทรงสรรเสริญพิษุณีรูปหนึ่งผู้มีเฮริผู้คงที่ คล่องแคล่วในกิจที่ควรและไม่ควรว่าเป็นผู้เลิกกว่าพิกษุนิทั้งหลายผู้ทรงวินัยครั้งนั้นมอมฉันมีจิตเบิกบานหวังตำแหน่งนั้นจึงทูลนิมนต์พระทศพลผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกพร้อมทั้งพระสงฆ์ให้เสวยและฉันตลอดเจ็ดวันถวายบาตรและจีวรแล้วทบศีรษะลงแทบพระยุ ค, คลบาทแล้วได้กราบทูลคำนี้ว่าข้าแต่พระธีรามุนี ผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกพิสุณีรูปใดที่พระองค์ทรงสรรเสริญในตำแหน่งที่เลิศในวันที่แปดแต่นี้ถ้าตำแหน่งนั้นจะสำเร็จแก่หม่อมฉันหม่อมฉันจักเป็นเช่นนั้นครั้งนั้นพระาศาสดาได้ตรัสกับหม่อมฉันว่านางผู้เจริญอย่า ก, กลัวเลยจงเบาใจเถิดเธอจักได้ตำแหน่งนั้นสมความปรารถนาในอนาคตการ ในกับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปพระาศาสดาพระนามว่าโคดมตามพระโครทรงสมภพในราชสกุลโอกากาการาชจากอุบัติขึ้นในโลกสตรีผู้นี้จะมีนามว่าปตาจาราเป็นธรรมทายาตเป็นโอรสที่ทำเนรมิตรจากเป็นสาวิกาของพระาศาสดาพระองค์นั้นครั้งนั้นมอมฉันเป็นผู้เบิกบานมีจิตประกอบด้วยเมตตา โปรเนบาดพระชินเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกพร้อมทั้งพระสงฆ์จนตลอดชีวิตด้วยกรรมที่หม่อมฉันได้ทําไว้ดีแล้วนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มั่นหม่อมฉันละกายมนุษย์แล้วจึงได้เปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงในพระตรักับนี้พระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของพราหมณมมีพระยศยิ่งใหญ่พระนามว่ากัสปะตามพระโคด ประเสริฐว่าเจ้าลัทธิทั้งหลายเสด็จอุบัติขึ้นแล้วครั้งนั้นพระเจ้ากาสีพระนามว่ากิกีทรงเป็นใหญ่กว่านราชนในกรุงพาราณสีที่ประเสริฐสุดทรงเป็นอุปถาของพระพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่หม่อมฉันเป็นธิดาคุณที่สามของพระองค์มีนามปรากฏว่าภิกษุณีได้ฟังธรรมของพระชินเจ้าผู้เลิศแล้วพอใจการบรรพชา แต่พระชนกนาฏไม่ได้ทรงอนุญาตให้มอมฉันทั้งหลายบวชครั้งนั้นมอมฉันทั้งหลายไม่เกียรคร้านครองเรือนอยู่สองหมืปีพระราชกันยาทั้งเจ็พระองค์มีความสุขเพระเพื่อพรหมจันทร์ตั้งแต่ยังเป็นกุมารีเพื่อเพลินยินดีอุปถัมพระพุทธเจ้าเพอหนึ่งพระนางสมณีสองพระนางสมณะคุตาสามพระนางภิกษุณีสพระนางภิกขุทาสิกา ห้าพระนางธรรมมาหพระนางสุธรรมมาเจ็พระนางสังฆาสิกาพระราชธิดาทั้งเจ็ดนั้นเดียกลับชาติมาเกิดคือหม่อมฉันหนึ่งพระอุบลวร น, นาเถรีหนึ่งพระเขมาเทรีหนึ่งพระพัตราภิกษุณีเถรีหนึ่งพระกีสาโคตมีเถรีหนึ่งพระธรรมทินนาเทรีหนึ่งและคนที่เจ็ดเือวิสาขามหาอุบาสิกา ด้วยกรรมทั้งหลายที่หม่อมฉันได้ทำไว้ดีแล้วนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งมั่นไว้หม่อมฉันละกายมนุษย์แล้วจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงปัดนิเป็นภพสุดท้ายหม่อมฉันเกิดในตระกูลเศรษฐีในกรุงสาวัตถีที่เจริญมั่งคัง่งกว้างขวางมีทรัพย์มากเมื่อหม่อมฉันเจริญวัยเป็นสาวได้ตกอยู่ในอำนาจของวิตตกภพบุรุษชาวชนบทผู้หนึ่ง แล้วได้ตามไปอยู่กับเขามอมฉันครอบบุตรคนที่หนึ่งตั้งคันบุตรคนที่สองเมื่อนั้นม่อมฉันปรารถนาว่าจะไปเยี่ยมมารดาบิดาครั้งนั้นม่อมฉันไม่ได้บอกสามีเมื่อสามีของม่อมฉันไม่อยู่ม่อมฉันคนเดียวออกจากเรือนจะเดินทางไปยังกรุงสาวัตถีที่ประเสริฐสุดภายหลังสามีของม่อมฉันตามมาทันที่หนทางขณะนั้น รมกรร ม, มชวาสแสนจะธารุนเกิดขึ้นแก่หมอมฉันครั้งนั้นมหาเมฆก็เกิดขึ้นในเวลาที่หมอมฉันจะคลอดสามีไปหาเครื่องกําบังแต่ถูกงู ก, กัดตายครั้งนั้นหมอมฉันมีทุกข์เพราะการคลอดหมดที่พึ่งเป็นคนกําพร้าเดินไปเห็นแม่น้ําน้อยแห่งหนึ่งซึ่งมีน้ําเต็มปี๋มเป็นที่อยู่อาศัยของนกเดี่ยวหมอมฉันอุ้มลูกคนเล็ก ข้ามไปที่ฝั่งโน้นคนเดียวให้ลูกคนเล็กดื่มนมจนอิ่มแล้วประสงค์ที่จะนำบุตรอีกคนหนึ่งคนโตให้ข้ามมาจึงย้อนกลับมาเยียวตัวหนึ่งโฉบลูกคนเล็กที่ร้องไห้จ้าไปบุตรคนโตกระแสน้ำก็พัดไปหม่อมฉันนั้นปีนไปด้วยความเศร้าโศกเหลือประมาณจึงเดินทางต่อไปยังกรุงสาวัตถีได้ฟังข่าวว่า ญาติของตนมารดาบิดาและพี่ชายตายแล้วเวลานั้นหมอมฉันอัดอั้นตันใจด้วยความเศร้าโศกปีมด้วยความโศกาดูยางใหญ่หลวงเรียกล่าวว่าลูกสองคนก็ตายเสียแล้วสามีของเราก็ตายในป่ามารดาบิดาและพี่ชายของเราก็ถูกเผาอยู่ที่เชิงตะกรเดียวกันครั้งนั้นมอมฉันทั้งสูผ้ผอมทั้งเหลืองซีดไม่มีที่พึ่ง ตรอมใจอยู่ทุกวันเมื่อหมอมฉันกระเซาะกระเสิงไปได้พบพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นสารถีฝึกนรชนลำดับนั้นพระศาสดาได้ตรัส ก, กับม่อมฉันว่าเธออย่าเศร้าโศกถึงบุตรเลยจงผ่อนคลายบ้างเถิดจงสแสวงหาตนเองเถิดจะเดือดร้อนอย่างไรประโยชน์ไปทำไมบุตรธดาญาตและพวกพอ้องมีไวเพื่อต้านทานคนผู้ถึงที่ตายไม่ได้เลย บรรดาหมู่ญาติผู้ที่จะต้านทานได้ก็ไม่มีมอมฉันได้ฟังพระดํารัสของพระมุนีนั้นแล้วได้บรรลุโสดาปติพลบวชแล้วไม่นานก็ได้บรรลุอรหัตผลมอมฉันเป็นผู้มีความชำนาญในริษในที่ประสติธาตุและเจโตปริยญาณเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระศ า, าสดารู้ปุเพนิวาสานุสติญาณ ที่ะยาจักษุหม่อมฉันก็อชำระให้หมดจดแล้วหม่อมฉันทําอาศวะทั้งปวงให้สิ้นไปแล้วเป็นผู้บริสุทธิ์สะอาดปราศจากมลทินครั้งนั้นม่อมฉันเรียนวินัยทั้งปวงในสํานักของพระผู้ทรงรู้เห็นธรรมทั้งปวงและกล่าวอธิบายพระวินัยทั้งปวงได้อย่างพิสดารตามเป็นจริงพระชินดาเจ้าทรงพอพระทัยในคุณสมบัตินั้น จึงทรงตั้งหม่อมฉันไว้ในตำแหน่งเอตทะคะว่าปตาจาราพิกษุณีเพียงผู้เดียวเลิกขว่าพิกษุณีทั้งหลายผู้ทรงวินัยพระศาสดาหม่อมฉันก็ปรนิบัติแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหม่อมฉันก็ทำสำเร็จแล้วภาระอันหนักหม่อมฉันก็ปลงลงได้แล้วปัญหาที่นำไปสู่พบหม่อมฉันก็ถอนได้แล้ว อุลบุตรอุลธิดาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นคือความสิ้นสัโยชะทั้งปวงม่อมฉันได้บรรลุแล้วโดยลำดับกิเลสทั้งหลายมอมฉันก็เผาได้แล้วภพทั้งปวงหม่อมฉันก็ถอนได้แล้วหมอมฉันตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะดุจพยาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระ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 ได้ทราบว่าปตาจาราภิกษุณีได้พาสิกธิคาเหล่านี้ด้วยประการาชนีปตาจาราเทริยาประธานที่10จบเอควูปโปสติกาวรตรที่สองจบบริบูรณ์รวมอภิษฐานที่มีนิวักษ์นี้คือ 1. เอควโปสติกาเทริยาประธาน 2. สละปุพิกาเทริยาประธาน สโมทกทายกาเทริยาประทาน 4. เอคาจนะทายกาเทริยาประทานหปัญจทีปทายกาเทริยาประทาน 6. กนลมาลิกาเถริยาประทาน 7. มหาประชาบดีโคตมีเทริยาประทาน 8. เคมาเทริยาประทาน9อุปละวัรณาเทริยาประทาน ปตาจาราเทริยาปทานในวัคนี้บัณฑิตนับจํานวนคาถาได้ห0 9าคาถา3กุนทนเกสีวัดหมวดว่าด้วยพระเทรีชื่อกุนทนเกสีเป็นต้น หนึ่งคุณทนเกสีเทริยาประธานประวัติเนติตชาติของพระกุณทนเกสีเทรีพระกุลทนเกสีเทรีเมื่อจะประกาศประวัติเนติตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระชินเจา้าพระนามว่าปทุมุตระพููถึงความสำเร็จแห่งธรรมทั้งปวงทรงเป็นผู้นำเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปครั้งนั้น มอมฉันเกิดในตระกูลเศรษฐีที่มีความรุ่งเรืองด้วยรัตนะต่างๆในครุงโงงสวดีเป็นผู้เพียรพร้อมด้วยความสุขมากมอมฉันได้เข้าเฝ้าพราะมหาวีระพระองค์นั้นแล้วได้ฟังธรรมที่สูงสุดแต่นั้นมอมฉันเกิดความเลื่อมใสได้ถึงพระชินเจ้าเป็นสรณะครั้งนั้นพระชินเจ้าทรงเป็นผู้นำพระนามว่าปทุมตระผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณา ทรงตั้งภิกษุณีรูปหนึ่งผู้มีปัญญาดีไว้ในเอตทะทักขะว่าเป็นผู้เลิกกว่าภิกษุณีทั้งหลายผู้ขิปปาภิญญารู้ฉับพลันหม่อมฉันได้ฟังพุทธพยากรณ์ น, นั้นแล้วเป็นผู้เบิกบานได้ถวายทานแด่พระพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่แล้วศพศิรษะลงแท่พระยุ ค, คลบาทปรารถนาตำแหน่งนั้นพระมหาวีรพุทธเจ้าตรัสอนุโมทนาว่า นางผู้เจริญตำแหน่งใดที่เธอปรารถนาแล้วตำแหน่งนั้นทั้งปวงจกสำเร็จแก่เธอเธอจงเป็นผู้มีสุขณิาพานเถิดในกับที่หนึ่งแสนนับจากกับนี้ไปพระศาสดาพระนามว่าโคดมตามพระโครทรงสมภพในราชสกุลโอกากาการาชจากอุบัติขึ้นในโลกสตรีผู้นี้จะมีนามว่าคุณทนเกสีผู้เจริญเป็นธรรมทายา เป็นโอรสที่ทำเนรมิตรจากเป็นสาวิกราของพระาศาสดาพระองค์นั้นเลือกกรรมที่หม่อมฉันได้ทำไว้ดีแล้วนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มั่นหม่อมฉันละกายมนุษย์แล้วจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นเดาวดึงหม่อมฉันจุติจากสวรรค์ชั้นเดาวดึงนั้นแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นยามาจุติจากสวรรค์ชั้นยามานั้นแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิก จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตนั้นแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นนิมมานนรดีจุติจากสวรรค์ชั้นนิมมานนรดีนั้นแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นปรณิมมิตวั ส, สวัตดีเพราะอำนาจแห่งกรรมนั้นม่อมฉันเกิดในภพใดๆในภพนั้นๆก็ได้ efendim, ここเป็นพระมเหสีของพระราชามอมฉันจุติจากสวรรค์ชั้นปารณิมมิตวั ส, สวัตดีนั้นแล้วมาเกิดในหมู่มนุษย์ ได้เป็นพระมเหสีของพระเจ้าจักรพรรดิและได้เป็นพระมเหสีของพระเจ้าแผ่นดินสวยสมบัติทั้งในเทวโลกและในมนุษย์โลกมีความสุขทุกชาติเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกลับเป็นอันมากในพัทรากลับนี้พระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของพรามมีพระยศยิ่งใหญ่พระนามว่ากัสปะตามพระโพธิ์ประเสริฐกว่าเจ้าลัทธิทั้งหลายสเสด็จอุบัติขึ้นแล้วครั้งนั้น พระเจ้ากาสีพระนามว่ากิกีเป็นใหญ่กว่านรชนในกรุงพารณสีที่ประเสริฐสุดทรงเป็นผู้อุปถา ข, ของพระพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มอมฉันเป็นที่ดาคนที่สีของพระองค์มีนามปรากฏว่าทิขุทาสีได้ฟังธรรมของพระชินเจ้าผู้เลิศแล้วพอใจการบรรพชาแต่พระชนกหน้าไม่ได้ทรงอนุญาตให้มอมฉันทั้งหลายบวชครั้งนั้น มอมฉันทั้งหลายไม่เกียจคร้านครองเรือนอยู่สองหมื่นปีพระราชกันยาทั้งเจ็ดพระองค์มีความสุขประพฤติพรหมจรรย์ตั้งแต่ยังเป็นกุมารีเพลิดเพลินยินดีอุปถากพระพุทธเจ้าคิร์หนึ่งพระนางสมณีสองพระนางสมณคุตาสาพระนางภิกษุณีสพระนางภิกขุทาเตกาหพระนางธรรมมาหพระนางสุธรรมมา เจ็ดพระนางสังฆาสิกาพระราชจิดาทั้งเจดนั้นได้กลับชาติมาเกิดคือหม่อมฉันหนึ่งพระเขมาเถรีหนึ่งพระอุบลวรรณเทรีหนึ่งพระประตาจาราเทรีหนึ่งพระกีฉาโคตมีเทรีหนึ่งพระเทมัทินนาเทรีหนึ่งและคนที่เจ็ดเป็นวิสาขามหาอุบาสิกาด้วยกรรมทั้งหลายที่หม่อมฉันได้ทําไว้ดีแล้วนั้น และด้วยเจตนาที่ตั้งมั่นไว้หม่อมฉันละกายมนุษย์แล้วจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นเดวดึงบัดนี้เป็นภพสุดท้ายหม่อมฉันเกิดในตรพูลเศรษฐีที่มีความเจริญในกรงราชเคระห์ที่อุดมสมบูรณ์เมื่อครั้งหม่อมฉันยังเป็นสาวได้เห็นราชบุรุษนําโจรไปเพื่อประหารมีความรักในโจรคนนั้นบิดาของหม่อมฉันใช้ทรัพย์หนึ่งพันปลดปลือมโจร น, นั้น ให้หลุดพ้นจากการถูกประหารบิดาทราบจิตใจของหม่อมฉันแล้วจึงยกหม่อมฉันให้โจรนั้นหม่อมฉันไว้วางใจเอนดูเกื่อคูณโจรคนนั้นยิ่งนักโจรนั้นมีความโลภในเครื่องประดับของหม่อมฉันแล้วคิดจะฆ่าหม่อมฉันผู้ช่วยนำเครื่องบวงสรวงไปยังเหวทิ้งโจรบนภูเขาเวลานั้นหม่อมฉันเมื่อจะรักษาชีวิตของตนไว จึงประนมมือไหว้โจรผู้เป็นศัตรูที่ร้ายกาจแล้วกล่าวว่านายผู้เจริญสร้อยคอทองคำแก้วมุกดาและแก้วไพยทูนเป็นจำนวนมากทั้งหมดนี้นายเอาไปเถิดจงปล่อยดิฉันไปและจงประกาศดิฉันให้ทราบว่าเป็นทาสีเถิดโจรกล่าวว่านี่แม่นางจงเปลืองออกมาอย่ามรําพันนักเลยเรารู้เพียงว่า ไม่ค่าเจ้าผู้มาถึงป่าแล้วไม่ได้มอมฉันกล่าวว่าตั้งแต่ที่ฉันรู้เดียงสาจำความได้ยังไม่รู้จักรักชายอื่นยิ่งไปกว่าท่านเลยมาเถิดดิฉันจะก่อท่านขอทำประทักษิณท่านไหว้ท่านเพราะดิฉันกับท่านจะไม่มีโอกาสอยู่ร่วมกันอีกเทวดาซึ่งสถิตยอยู่ในที่นั้นได้กล่าวว่าบุรุษเท่านั้นจะเป็นคนฉลาดในฐานะทั้งปวงข้อหาไม่ แม้สตรีผู้มีปัญญาเห็นประจักษ์ในฐานะนั้นๆนก็เป็นคนฉลาดได้บุรุษเท่านั้นจะเป็นคนฉลาดในฐานะทั้งปวงก็หาไม่แม้สตรีผู้คิดเนื้อความได้ฉับไวก็เป็นคนฉลาดได้ครั้งนั้นมอมฉันคิดได้หลายๆเรื่องอย่างรวดเร็วและฉับไวดุดบอกเกิดแห่งปัญญาที่เต็มด้วยความคิดจึงได้ฆ่าศัตรูที่ร้ายกาจผู้ใดไม่รู้จักเรื่องที่เกิดขึ้นได้อย่างฉับพลัน ผู้นั้นเป็นคนเขาย่อมถูกเขาฆ่าตายเหมือนโจรที่ถูกฆ่าที่ปากเขวผู้ใดรู้จักเรื่องที่เกิดขึ้นได้อย่างฉับพลันผู้นั้นก็พ้นจากพวกศัตรูเบียดเบียนเหมือนที่หม่อมฉันพ้นจากโจรซึ่งเป็นศัตรูในครั้งนั้นเมื่อหม่อมฉันผลักศัตรูตกเหวไปแล้วได้เข้าไปบวชยังสำนักของปริภาชกที่ครองผ้าขาวครั้งนั้น พวกปริพาชกใช้แหนบถอดผมของหม่อมฉันจนหมดแล้วให้โบดสอนลัทธิให้เนืองๆหม่อมฉันเรียนลัทธินั้นแล้วนั่งคนเดียวคิดถึงลัทธิซึ่งทำมนุษย์ให้เป็นเยี่ยงสุนักนั้นปริพาชกเทอผมที่ถอนแล้วโยวนไว้ใกล้หม่อมฉันแล้วก็หลีกไปหม่อมฉันเห็นแล้วได้นิมิตเหมือนหมูนอนตั้งอยู่แต่นั้นหม่อมฉันมีความสลดใจลุกขึ้น ได้สอบถามพวกปริพาชกที่มีลทัทธิเดียวกันพวกนั้นบอกว่าภิกษุสากยะบุตรทั้งหลายย่อมรู้เรื่องนั้นหม่อมฉันก็ไปหาพุทธสาวกแล้วถามเรื่องนั้นพุทธสาวกเหล่านั้นพาหม่อมฉันไปยังสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดพระองค์ผู้ทรงเป็นผู้นำทรงสแสดงธรรมแก่หม่อมฉันว่าขันอายตนะและท่าทั้งหลายไม่งามไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตา หม่อมฉันได้ฟังพระธรรมของพระองค์แล้วชำระธรรมจักสุให้หมดจดโดยวิเศษรู้แจ้งพระสัตยธรรมแล้วได้ทูลขอบรรพชาอุปสมบทครั้งนั้นพระพุทธเจ้าอันหม่อมฉันทูลขอแล้วได้ตรัสว่าเธอจงเป็นภิกษุณีมาเถิดนางผู้เจริญหม่อมฉันอุปสมบทแล้วได้เห็นน้ํารู้จักสังขารที่มีความเกิดและความดับไปด้วยน้ําล้างเท้าคิดว่า ทังคานแม้ทั้งปวงก็เป็นอย่างนั้นจากนั้นจิตของหม่อมฉันหลุดพ้นแล้วเพราะไม่ถือมั่นโดยประการทั้งปวงในครั้งนั้นพระชินเจ้าทรงตั้งหม่อมฉันไว้ในเอตัคภาวาเป็นผู้เลิกกว่าพิสุนิทั้งหลายผู้ขิปปาภิญญาหม่อมฉันเป็นผู้มีความชำนาญในฤทธิ์ในทิปโสตธาตุและในเจโตปริยญาณเป็นผู้ปฏิบตัติตามคำสั่งสอนของพระศาสดา รู้ปุเพนิวาสานุสติญาณที่พยะจักษุมอมฉันก็ชำระให้หมดจดแล้วมอมฉันทำอาสวะทั้งปวงให้สิ้นไปแล้วเป็นผู้บริสุทธิ์สะอาดปราศจากมลทินพระศาสดามอมฉันก็ปรนิบัติแล้วคำส่องสอนของพระพุทธเจ้ามอมฉันก็ได้ทำสำเร็จแล้วภาระอันหนักมอมฉันก็ปลงลงได้แล้วตัญหาที่นำไปสู่พบมอมฉันก็ถอนได้แล้ว กุญบุตุลธิดาออกจากเกเรนปวดเป็นบนรรปะชิตเพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นคือความสิ้นสังโยชน์ทั้งปวงหม่อมฉันได้บรรลุแล้วโดยลำดับอัธิปฏิสัมพิทาญานธรรมปฏิสัมพิทาญานนิรุตติปฏิสัมพิทาญานและปฏิภาณปฏิสัมพิทาญานของหม่อมฉันบริสุทธิ์ไพบู์ในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุด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 คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหม่อมฉันก็ได้ทําสําเร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้เคลปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภินญาหกหม่อมฉันก็ได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหม่อมฉันก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่ารพระพัฒนาคุณทนเกสีภิกษุณีได้พาสุคภาษาเหล่านี้ด้วยประการศ น, นี้ กุนทนเกศีเทริยาประธานที่หนึ่งจบงกีสาโคตมีเทริยาประธานประวัติในดิตชาของพระกีสาโคตมีเทรีพระกีสาโคตมีเทรีเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาของตนจึงกล่าวว่าพระจินเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้ถึงความสำเร็จแห่งธรรมทั้งปวงทรงเป็นผู้นำ เสด็จอุบัติขึ้นแล้วในกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปครั้งนั้นมอมฉันเกิดในตระกูลหนึ่งในกรุงหงสาวดีได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐกว่านรชนพระองค์นั้นแล้วได้ถึงพระองค์เป็นสรณะมอมฉันได้ฟังธรรมของพระองค์ซึ่งประกอบด้วยสัจจะสีที่ไพเราะจับใจอย่างยิ่งนำมาซึ่งสันติสุขแห่งจิตแม้ครั้งนั้นพระธีรเจ้าผู้สูงสุดแห่งบุรุษ ทรงยกย่องตั้งภิกษุณีรูปหนึ่งผู้ทรงจีวรเศร้าหมองไว้ในเอตทัทคะะมอมฉันได้ฟังคุณของภิกษุณีนั้นแล้วเกิดปิติมิใช่น้อยทำสักการะพระพุทธเจ้าตามกําลังความสามารถหมอบลงใกล้พระธีระมุนีแล้วปรารถนาตําแหน่งนั้นครั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นําตรัสอนุโมทนาเพื่อการได้ตําแหน่งว่า ในกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปพระศาสดาพระนามว่าโคดมตามพระโคดทรสงสมภพในราชสกุลโอกากาการาชจากอุบัติขึ้นในโลกสตรีผู้นี้จะมีนามปรากฏว่าอีสาโคตมีเป็นธรรมทายาตเป็นโอรสที่ทำเนรมิตรจกเป็นสาวิกาของพระศาสดาพระองค์นั้นครั้งนั้นมอมฉันได้ฟังพุทธพยากรณ์ น, นั้นแล้ว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 มีประยชน์ยิ่งใหญ่พระนามว่ากัสปะตามพระโคดประเสริฐกว่าเจ้าลัทธิทั้งหลายเสด็จอุบัติขึ้นแล้วครั้งนั้นพระเจ้ากาสีพระนามว่ากิกีทรงเป็นใหญ่กว่านรชนในกรุงพาราณสีที่ประเสริฐสุดทรงเป็นอุปถาของพระพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มอมฉันเป็นที่ดาวคนที่ห้าของพระองค์มีนามปรากฏว่าธรรมมา ได้ฟังธรรมของพระชินเจา้าผู้เลิศแล้วพอใจการบรรพชาแต่พระชนกนาถไม่ได้ทรงอนุญาตให้มอมฉันทั้งหลายบวชครั้งนั้นมอมฉันทั้งหลายมิเกียรคร้านครองเรือนอยู่สองหมื่นปีพระราชกัญญาทั้งเจ็ดพระองค์มีความสุขประเพฤติพรหมจรรย์ตั้งแต่ยังเป็นกุมารีเพื่อเพลินยินดีอุปถากพระพุทธเจ้าคือหนึ่งพระนางสมณีสองพระนางสมนาคุตา สพระนางภิกษุณีสี่พระนางภิกขุทายสิกาหพระนางธรรมมาหพระนางสุธรรมมาเจพระนางสังฆทาสิกาพระราชธิดาทั้งเจ็นั้นเด็กปรับชาติมาเกิดคือพระเถรมาเถรีหนึ่งพระอุบลวรนนาเถรีหนึ่งพระปตาจาราเถรีหนึ่งพระกุณฑลเกษีเถรีหนึ่งมอมฉันหนึ่งพระธรรมทินนาเถรีหนึ่ง และคนที่เจ็ดเป็นวิสาขามาหาอุบาสิกาด้วยกรรมทั้งหลายที่หม่อมฉันได้ทําไว้ดีแล้วนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มั่นหม่อมฉันละกายมนุษย์แล้วจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงบัดนี้เป็นภพสุดท้ายหม่อมฉันเกิดในตระกูลเศรษฐีที่ตกยากจนทรัพย์เป็นตระกูลที่ต่ําต้อยได้แต่งงานไปยังตระกูลที่มีทรัพย์ชนทั้งหลายที่เหลือเว้นสามีของหม่อมฉัน เกียช่างว่าเป็นหญิงไม่มีทรัพ์เมื่อหม่อมฉันคลอดบุตรแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของชนทั้งปวงในคราวที่บุตรยังเป็นเด็กอ่อนมีความสุขเป็นที่รักใคร่ของหม่อมฉันเหมือนดังชีวิตของตนก็ตกไปยังอำนาจของพญายมตายไปมอมฉันอัดอั้นตันใจด้วยความเศร้าโศกมีหน้าเศร้าหมองร้องไห้น้ำตานองหน้าอุ้มศพลูกที่ตายแล้วเที่ยวพูดบ่นเพ้อไป ครั้งนั้นมอมฉันอันบุรุษคนหนึ่งเห็นแล้วพาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นนายแพทย์ที่ประเสริฐที่สุดจึงได้ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์โปรดประทานยาให้บุตรคืนชีพด้วยเถิดพระชินเจ้าผู้ทรงฉลาดในอุบายแนะนํารับสั่งว่าในเรือนหลังใดไม่มีคนตายเธอจงเป็นนาเมล็ดพันุ์ผักกาดจากเรือนหลังนั้นมาครั้งนั้น หม่อมฉันไปจนทั่วกรุงสาวัตถีไม่ได้พบเรือนเช่นนั้นเลยเพราะเหตุนั้นหม่อมฉันจึงกลับได้สติว่าจากได้มเมลพันผักกาศแต่ที่ไหนจึงทิ้งศพแล้วเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกพระองค์ผู้มีพระสุรเสียงอันไพเราะท่อพระเนรเห็นหม่อมฉันแต่ที่ไกลแล้วตรัสว่าปความเป็นอยู่เพียงวันเดียวของบุคคลผู้เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป ประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ตั้งร้อยปีของบุคคลผู้มิได้เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปธรรมนี้ไม่ใช่ธรรมสาหรับชาวบ้านไม่ใช่ธรรมสาหรับชาวนิคมไม่ใช่ธรรมสาหรับสกุลเดียวแต่เป็นธรรมสาหรับชาวโลกทั้งปวงพร้อมทั้งเทวโลกธรรมนั่นคืออนิจจตาความไม่เที่ยงมอมฉันได้ฟังคาถาเหล่านี้แล้วได้ชําระธรรมจักสุขให้หมดจดโดยพิเศษ แต่นั้นรู้แจ้งพระสัทธรรมแล้วได้บวชเป็นบนรรปะชิตแม้เมื่อบวชแล้วอย่างนั้นประกอบความเพียรในศาสนาของพระชินเจ้าไม่นานนักก็ได้บรรลุอรหัตผลมอมฉันเป็นผู้มีความชำนาญในฤทธิ์มีที่ประสงคธาตุและในเจโตปริยายานเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของศาสดารู้ปุกเพนิวาสานุสติญาณทิพยาจักสุมอมฉันก็ชาระให้หมดจดแล้ว หม่อมฉันทำอาสวะทั้งปวงให้สิ้นแล้วเป็นผู้บริสุทธิ์สะอาดปราศจากมลทินพระศาสดาหม่อมฉันก็ตปรนิบัติแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหม่อมฉันก็ได้ทำสำเร็จแล้วภาระอันหนักหม่อมฉันโคตลงลงได้แล้วตันหาที่นำไปสู่พบหม่อมฉันก็ถอนได้แล้วกุลระบุตรกุลธิดาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเพื่อประโยชน์ใด ประโยชน์นั้นคือความสิ้นสัมโยต์ทั้งปวงหม่อมฉันได้บรรลุแล้วโดยลําดับอัตถปฏิสัมพิทาญานธรรมปฏิสัมพิทาญานนิรุตติปฏิสัมพิทาญานและปฏิภาณปฏิสัมพิทาญานของหม่อมฉันบริสุทธิ์ไพ่บูร์เพราะอํานาจของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดม่อมฉันเก็บผ้ามาจากกองขยะป่าช้าทางรถและทางเกวียน แล้วทำเป็นผ้าสังขาติจากผ้านั้นทรงจีวรที่เศร้าหมองพระชินเจ้าทรงเป็นผู้นำวิเศษทรงพอพระทัยในคุณสมบัติคือการทรงจีวรเศร้าหมองนั้นจึงทรงแต่งตั้งหม่อมฉันไว้ในเอตัคกะในบริษัททั้งหลายกิเลสทั้งหลายหม่อมฉันก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงหม่อมฉันก็ถอนได้แล้วหม่อมฉันตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะ ดูดพยาชาตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระการที่หม่อมฉันมาในสำนักของพระพุทธเจ้ า, าผู้ประเสริฐที่สุดเป็นการมาดีแล้วโดยแท้วิชาสามหม่อมฉันได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสั่งสอนของพระพาาุทธเจ้าหม่อมฉันก็ได้ทำสำเร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้เกือปฏิสัมพิทาสี่วิโมก8ปดและอภิญญาหกหม่อมฉันก็ได้ทาให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามอมฉันก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าพระกีสาโคตมีภิกษุณีได้พาสิกขาเหล่านี้ด้วยประการฉนิกีสาโคตมีเทริยาประธานที่สองจบ